ขอมีส่วนร่วมกับกรรมฐานที่เรากำลังทำอยู่ขอพูดกับทุกท่านเรื่องกรรมฐานเ้าเป็นหมเป็นมิตรด้วยใจไม่พาหลงทิศหลงทาง เรามีงานมีการเรามีการบ้าน <c oughs> อย่าปล่อยทิ้งคว่างอยู่มันเป็นขยะมันโลกลงลังสิงที่มันมีอยู่นี่ทําได้ทําได้สําเร็จได้ถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่สําเร็จการบ้านของเราเคือมันหลง การทำการบ้านคือเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้จบไปแล้วหลงที่เลยรู้ที น, นัน้นเมื่อเหมือนหลงเราก็มีอะไรอื่นดีกเกิดขึ้นขอให้ขอให้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ด้วยเปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารเหมือนเต่าที่มันมีสีขา เวลามันเดินเปลี่ยนหายท่องมันขึ้นเหมือนพ่อแม่เอาเต่าไว้โลกเล่นเต่าไม่หย่างเอาไฟจุดกล่นเต่าโปมุนตนูหกเลยแท่งเวลาใดม่เป็นลูกลูกพ้าไปเตรียมพร้อมขนาดใดที่มันหลงก็เปลี่ยนได้ทันทีเพราะมีตัวรู้ มีสภาวะที่รู้อยู่เสมอพร้อมที่จะเปลี่ยนรู้เป็นหลงได้หรือ เ, เปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารได้นี่งานของเราเกิมหลงนี่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทุกชีวิตก็หลงไม่ว่าพระว่าโยมหมุมสาวอายุเก่ิเท่าฟาันกลาง ใดภาษาใลดลัทธิได้อยู่ที่ไหนหลงอะไรทั้งนั้นจึงมีการงานส่วนตัวจากนี้ถ้ามันหลงนี่ก็ไปไกลไปถึงชาติชลาโมโนโูกปริเทวาทุกตัวมนัษอุปศยาดไปเรื่อยเรื่อยเรียนไาวใจเกิด เกิดดับเกิดดับหลงแล้วจีข้างจีหอนเมื่อมันหลงก็ไปถึงความโลกความโกรธความทุกข์ต่างๆมากมายขยายไปเป็นอกุศลดอไม่รู้ฝ่าให้ทุกข์ความมีโทษเจอตัวเองแล้วคนอื่นรู้สภาวะที่รู้เขาเปลี่ยนแปลง ก็ไม่เป็นอกุศลเป็นกุศลเกิดขึ้นแทนที่เหมือนความสว่างแสงสว่างแทนความมืดแต่ว่ากุศลกุศลนี้เป็นธรรมขาวเหมือนสว่างอากุศลเป็นความมืดเป็นธรรมดามันมืดไม่รู้ ไม่รู้จากตัวเองไม่รู้จากคนอื่นเป็นข่าราวีโดดด่าเบียดเ็นกันได้เพราะมันหลงความหลงนี่เป็นความมืดเป็นบาปเป็นนรกเป็นเปรตเป็นชุรโลกกายได้เป็นกรรมไปหนักบ้างเบาบ้างตามความหลงของคู่ของคน ถ้าผูใ้ใดเปลี่ยนความหลงได้เป็นความรู้ได้น้อยน้อยหรือมากขึ้นการเปลี่ยนได้มากน้อยก็เรียกว่าเสกบุคคลตู้ยังมีความหลองอยู่นิดหน่อยเหมือนกับฐานไปที่ยังไม่หมดเย็นจะนิดยังอุ่นอยู่เมื่อไปกองกันไว้มันอาจจะอก เกิดไปขึ้นมาได้ถ้าไม่มอดสนิทซะในสมัยหนึ่งเราอยู่พุทธยานมังเลยเนรพระเนนพระกันเผาถ่านให้ลมเราจัดเผาเราอ่านนั้นมากองไว้ใต้ถถนศรลายังไม่เย็นจะเน บอหมอกรองกันไว้ตอนกลางคืนก็เพงเป็นนอนอยู่กรรมกติต่างๆก็ไกลาลาหันสลาหน้าสุโกโตนี้ไม่มีใครนอนแต่เป็นฉลาสองชั้นต่ำๆเอาวางไว้ใต้ถุนฉลาตรงพระพุทธ ร, รูปอยู่มีทูปมีเทียนแล้วก็อยู่กันนา น, น, านๆไปก็เกิดไปขึ้น เราเกิดไปขึ้นก็ล่อนลงถึงทูปถึงเทียนเทียนก็ซึมลงไปใส่ฐานไฟแดงๆก็เกิดเปลวไฟลูกไหม้ระเน้นอยู่ในกติไม่รู้เลยก็ชาวบ้านก็ไปดูหนัง <c oughs> เดินผ่านมาทางวัดมาเห็นไฟลุกท่วมสะลาะอยู่โรย ที่กองที่กองป่ากันไปดับไฟพระก็ยังให้รู้เลยมันอุ่นอยู่ทานมันอุ่นอยู่มันเกิดไปได้เศษข้าทำมาเนี่ยมันเป็นไออุ่นอยู่ผู้อยังต้องระวังอยู่ผู้ต้องศึกษาอยู่นม่ดับไปบ้างแล้วแต่ยังประมาณเอาให้เป็นอเศษข้ ทคนผู้ที่เย็นชานิดแล้วหมดแล้ววิสังขารดับหมดแล้วสังขารดับหมดแล้วมีแต่วิสังขารเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเหมือนฐานที่มันมอดแล้วเอาหวาใส่ตักไบวางใส่มือไม่ร้อนแล้ว ใายมาจับหมายต้องก็ไม่รอนแล้วบางจิที่ใดอยู่ในหมอนในเสือก็ไม่รอนแล้วนี่เลยว่าอาเศเสขะบุคคลไม่ได้เหมือนการสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเลยว่าหมู่สอผู้เชื่อฟังหมู่ชนหมู่ชนผู้เชื่อฟังคําสอนของเราตถาคตแล้วว่าการปฏิบัติชอบตามธรรมวิ น, นัย ก็เลื่อมูชนก็ดับชนนีชอบด้วยธรรมใดวิคืออะไรในยะคืออะไรวิคือวิเศษดีแล้ววิเศษแล้วมีสภาพที่รู้คู่กับสภาพที่หลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรียกว่าปฏิบัติธรรม นี่คือวิเศษแล้วเปลี่ยนความหลงเป็นความรูร้รถูกที่สุดแล้วชอบทำแล้วความหลงมาเป็นธรรมความรู้เป็นธรรมปฏิบัติชอบธรรมทำไว้ไหนนี้เรียกว่าสงสงนี่เกิดขึ้นบุรุษสี่คู่นับเปลี้ยงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ โสดาปติมากโสดาปฏิผลจิติคามีมักสติขาคามีผลอนาคามีมักอนาขามีผลอรหันต์มักอาหารหันต์ผลเนี่ยเป็นโยมก็มีอย่างพระอรหันต์สมัยก่อนนั้นเป็นอรหันต์แล้วจึงมาขอหมวดบาง ลูกก็ไม่เป็นผัหันในสันทาเกิดขึ้นอยากจะบวชก็มาขอบวชไม่บวชเลยก็มีเช่นนางวิสาขาอน า, านทาพิทักา์เศรษฐีตะกูลที่เป็นเศษกับบุคคลมีเยอะท่เจ้าจึงห้ามพระสงค์ให้ไม่ให้ไปขออะไรจาก หมู่บ้านบ้านของบุคคลที่เป็นเช ค, คะบุคคลเช่อนอนาถะเป็นที่กาเศรษฐีห้ามสงไปขอไม่ขอก็อให้อยู่แล้วมีอยู่ทั่วไปส่วนผู้ใดว่าสง์จะมาบวชก็ามาบวชพระเจ้าเรียกว่าบวชเอฮีพิคุวะสัมปธา การบวชของผู้เป็นพระหรหันแล้วก็อวาทบอกว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทาําไว้ไหนแล้วกาวไว้ดีแล้วตัดไว้ดีแล้วจงเป็นผู้พิชธรรมนั่นเถิดนี่คือพระหรหันแน้วมาขอบวชขึ้นโกนธนญภาพามเป็นพระลหันแล้วจะมาขอบวช ส่วนผู้ใด ย, ยังไม่เป็นพระธานผู้เจ้าก็บอกว่าท่านจงเป็นภิกษุมเอเถิดตามไว้ไหนเราจัดไว้ดีแล้วจงเป็นผู้ประพฤติตามทำไว้ไหย น, นั้นเถิดให้ประพฤติตามทำไว้ไหย น, นั้นส่วนผู้เป็นพระธานแล้วให้ปฏิบัติทำนั้นเถิดคือมันมีแล้วเย็นแล้วให้อยู่ในความเย็นนานเปลี่ยนสังขานไปวิสังขานนานมีอยู่อย่างนี้ ก็เลยเป็นหมู่ชนผู้เชื่อฟังคำสอนคือพวกเรานี่ก็ได้แน่นอนคือพวกเรานี่แหละมาจากทุกสารทิศมาสมาบวดมาลางานานาการมาเนี่ย้งหนุ่มๆสาวๆั้งอายุปน า, านกลางตัานเท่าทั้งเก่เรียกว่าหมู่ชนสมบัติทำไม่อยู่แล้วก็ทำน้ำแต่สติ สัมปชัญญะตำมีอุปการะมากสองอย่างอุปการะคืออะไรคือคุณค่าเหมือนพ่อเหมือนแม่ทำมีอุปการะมากสองอย่างจะติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวแล้วก็ชอบนักธรรมได้เอาไปประกาศมางหอยขวาไม่ใช่เลย มันใช่อยู่ในตำรากระดาษนวโภวะอยู่ในกายในใจเหล่านี้หนังสือข้อสองข้อนี้ทำสองข้อนี้อยู่ในกายในใจเหล่านี้อยู่ที่ไหนเราก็มือวางไว้บนเขา่าพลิกขึ้นยกขึ้นลกลงลู่ซึกนี่แล่ละเลลึกได้อยู่ลู่ซึกตัวอยู่ถ้าลู่ซึกอยู่นี้เลื่ลึกได้อยู่นี้ เหมือนพ่อเหมือนแม่อยู่ไกลไกลพ่อไกลแม่โดยเจ้าถึงชื่อให้มันยอดเยี่ยมขนาดนี้เพียงสองข้อไม่มากทุกคนปฏิบัติได้ให้ผลได้เมื่อวางไว้บนเขาพิกขึ้นก็รู้ได้ทุกคนเมื่อวานนี้เด็กน้อยมาพ่อแม่บาบางกับหลงตา หลังคนก็มานั่งพ่อแม่บอกให้มานั่งต่อหน้าหลวงตาเอามายกมือสร้างจังหวะได้เด็กน้อยนี <c oughs> ่แต่ว่าทำได้ทำได้อย่างสังกิจจะสำเนนอายุเพยงเกตขวบบรรลุเป็นพระหลานได้นะสังกิจจะสำเนินเราจะ ที่เล็กกว่าสังกิจจะไปหรืออายุต้องหนุมเป็นสาวเราก็มีเป็นอะไรไ้ว <c oughs> เราจริงน้องมาใช้เราอย่าโทษทุละสาเก็มีการบ้านปล่อยทิ้งไม่ได้เีียชินะเสียชาตินะเวมาต้องหาทุนนะ เรามีทุนแล้วมนุษย์สมหวดแล้วเดินอยู่บนทางสีแพงยืนอยู่บนทางสีแพงขณะ น, นี้ทางหนึ่งปสู่มักสู่ผลอยู่ตรงหน้านี้ทางข้างหลังปสู่เปตสุรุกายนรกอย่างนั้นหลังไปนั้นไม่ใช่ทางว่านี่หลงตาพูดถึงทางกลับมาซะ มันจะหันหลังไปมันจะไปะสู่ความหลงสิบปีมันเอามาคิดมีบ้างไหมความโกรธเอามานั่งอยู่ที่นี่ความทุกข์เอา ม, มานั่งอยู่ที่นี่ความรักความชังหมายถึงเสื่าลาหัอตจนี้มาด้วยทําไมเอาทิ้ไงไปนู้นมันจะกลับไปหรือมันจะวิ่งไปข้างหน้าหลวงตาสอนนี่จะถึงสุขภาว ด, ดีไหมจะถึงอมิตรพุธไหม การทำชาแดนด่ไหมมันคิดไปแล้วมันล่วงหน้าไปแล้วรู้ก่อนรู้หลงก่อนหลงกลัวจะไม่ได้กลัวจะผิดกลัวจะยากอย่างแต่งที่ไม่เป็นอะไรก็ยากแล้วมันไปทั้งหน้าวางแผงไว้ได้ไม่ใช่ของจริงเมื่อวานก็ไม่ใช่จริงพรุ่งนี้ก็ไม่ได้จริง เดี๋ยวนี้จริงกลัวทำอะไรก็ได้เดินไว้เธอเนี่ยกลางหน้ามีมันจะไปทั้งหลังกลับมาแล้วจึงมีกรรมาฐานรูปแบบเอาเมื่อวางไหวบนเขาเป็นนิมิตเอาของจริงเป็นนิมิตคือกายนี้ให้ลูกที่กกยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะ กายานุปจนนาสติปัฏฐานมีสติเห็นกายทุกคนมีกายจะเป็นหนุ่มเป็นแก่ก็มีกายอันเดียวกันเป็นหญิงเป็นชายก็มีกายเป็นพระเป็นเนนก็มีกายเ <c> ห <oughs> มือนกันหมดกายนี้ก็มีกายมีใจเหมือนกันหมดมันเคลื่อนไหวเป็นไม่ใช่ต้นเสาข้อหินมันทำดีแต่มันทาชั่วได้คือกายคือใจ เป็นกายกรรมมะโนกรรมมันจะเกิดดีเกิดชั่วต้องอยู่ที่กายที่ใจนี้มาเริ่มต้นตรงนี้กันไม่ใช่ไม่มีเราก็มีอยู่พร้อมที่เดินไปข้างหน้ามันจะหลงไปทั้งหลังแล้วก็กลับขึ้นมาปัจจุบันนี่คือชีวิตจริง ถ, painting, e 3, ถ้าไม่ตั้งไว้ที่นี่มันจะไหลไปข้างหลังคืนไปข้างหลังถ้าไม่ตั้งไว้ที่นี่มันจะวิ่งไปข้างหน้าเอาผิดเอาถูกก่อนสุขก่อนทุ ก, ก uchen, ข์ก่อนได้ก่อนเสียก่อนยากก่อนง่ายก่อนเอาความยากเอาความง่ายเอาความผิดเอาความถูกเอาความสุขเอาความทุกข BAR ์ markets, เอาสุขเขาก็ดีเอาอมิตสพุทธเอาฌานไปแล้วมันไปแล้ว มันลืมตรงนี้มันจะไปที่หดมันต้องตั้งต้นนี่ก่อนมันไม่ใช่หาคำตอบจากความคิดน่ะเรานี่มันคิดเก่งมากันทุกคนแล้วลเราจึงเอาของจริงเนี่ยศึกษาองรู้คงหลงก็ต่างวารากันบางคนหลงวองคนรู้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 หลงก็เคยเหมือนกันเป็นอันเดียวกันหัวอกเดียวกันเกิดเจ็ยบตายเหมือนกันเนี่ยมันจะขาดทุนเรามีมนุษย์สมบัติสินฐานพาเรามาเกิดอยู่ที่นี่ทำดีได้แล้วความช่วยได้ถ้าไม่มีสีมมีทานพานมานั่งอยู่ตรงนี้ ก็เป็นเปรเป็นสุกายเป็นสันโลกพัฒนาไม่ได้แต่คนเหล่านี้เมื่อไม่พัฒนามันจะต่าไปอีกแหละจะเป็นเปรตเป็นสุกายเป็นสันโลกแม่เทวดาอยู่เมืองสวรรค์ก็ยังมาเกิดเป็นมนุษย์จึงจะไปสู่นิพพานได้นี่จิจโสมนุษย์จะปฏิลาภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภปันเสริฐแล้วเป็นลาภปันเสริฐแล้ว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 เป็นเป็นเป็นอยู่อย่างนี้คำว่าธรรมอันดีก็เรียกว่ากุศลธรรมอันไม่ดีเรียกว่าอกุศลธรรมไม่ใช่มาจากไหนมันอยู่ในชีวิตเหล่านี้กุศลก็ดีอกุศลก็ดีพระเจ้าก็ตัดจะรู้เรื่องนี้พระพุทธเจ้าเป็นชาวสยมภูตัดจะรู้ชอบด้วยพวกองเอง ก็เขเจ้าก็คือสมันชนเหมือนเหล่านี้แต่เป็นเจ้าว่าชายเจ้าเสียมภูหลงต่อเคยไปเสียมภูนะเ <g ül> มืองเมืองกันรบรรตุประเทศเนปาลถามไปหมดเลยอุสามีจัทถานะ ต้องตามหาหได้ยังไงยังไงไปในบ่านหิมาเลยก็ขึ้นไปนอนแล้วไปนอนอยู่บนเขาหิมาเลย์มองลงมาสนามบินกรุงกันบันดุยี่สิบกมฮะสามสิบกมมองลงมาเห็นแต่ไฟแดงข้าคืบเด็มันสูง ฝอยแดงสนามบินนี่แค่นี้อ่าเี่ยี่สิบกว่ามแล้ว่ับการบรรโตยม่มภูเดี๋ยวนี้ก็ยังมีโพธิสัตว์นะเขาก็ยังเชื่อกันอยู่ล้วพาไปดูโพธิสัตว์เป็นเด็กน้อยอายุเจ็ดขวบเอาเลี้ยงมาดีรู้จักอะไรเยอะแยะของเล่าหรือของเขา แต่มีในสีษยมพูนอนมีมีบ้านเป็นประสาทปราสาทหรือพรศาตรฮะพระาสตรศาสศา ท, พ, า ท, พ, าทพึ่งเนะี <c oughs> ่ยแล้วก็ให้ไปดูเปิดหลอดฉวังก็แบบ ถ้ามีใครมีบุญโพลิสจัดน้อยจออกมาทางหน้าต่างให้ยืนอยู่แถวนี้แต่ห้ามถ่ายรูปถ้าโพลิสต์ัดเห็นเรายิ้มใจถือว่ามีบุญแล้วท่านทั้งหลายแต่ห้ามถ่ายรูปห้ามชี้มือต้องไปยืนอยู่ตรงหน้าต่างไปยืนอยู่กับญาติโยมกับมหา <c oughs> หนาไหล แจค่คคนสีอรยานไครด้วยกันตัวไปยืนอยู่ไม่นานก็ออกมาทางหน้าต่างสวยนะคนการบรรดดเนี่ย <laughs> อีกซ์นอยดขาเหมือนจะมองทะลุเลยมองก็มองรอออกมามองรอล้วก็ยิม้มเข้ยเห คนที่ไปดยกันชื่นใจโพที่จัดยิม้มใส่ตัวธรรมดาเนาะคนเราออันนี้เลยผโพที่จัดเนาะยังมีอยู่นะอีกไม่กี่ปีจะเป็นพระเจ้าขึ้นมาอกีกางการบรรดุนะสยมภูนะนี่พระตัวเจ้าของเราสิทธิถะอยู่ในสยามภูนี้ จนตัดรูปใหม่ออกจากสีหมหาโพธิ์ในอาทิตย์ที่สี่เดินไปอภิษฎชีวกคนหนังเดินสวนถางมาเห็นหนะ้าพุที่เจ้าก็มองของคคลงพลังลงถามตรงๆท่านเป็นใครท่านมาจากไหน ท่านมีใครเป็นครูของท่านท่านรู้ทำอะไรตัวเจ้าก็กำลังร้ อ, รอนวิชากา็มาถานนะตัวเจ้าก็ตัดขึ้นเลยว่าอย่างไม่ทนุถนอมเราเป็นชาวเสียมผูตัดสรุ้เองโดยชอบไม่มีใครเป็นครูของเราฟัามคนท่านเมืนม่น้ลายเสร็จ <c oughs> ขโอโอวดเกินไป ว่าตัดทรลุไม่เคยได้ยินแต่ทำไมนั่นพระเจ้า mm hmm. พูดออกไปได้เลยต่อไปพำอุ ป, ปกาชีพคนันก็หนีไปเลยไม่ไ้ฟังธรรมเลยข่าเจแล้วนี่น จ, จใช่หรือเปล่าตอนใกล้ปริพานอุ ป, ปการชีพคนนี้ยังคิดอยู่อ่ย อาจจะเป็นสำนะโพดมตูกชายสุดโทนะชาวเสียมภูนั่ น, นก็นมัง้งแต่ที่ลู้ชอบก็ยังคิดในหัวใจตลอดตั้งแต่วันพบที่แรกเลยเจ็บใจเจ็บใจใช่ไหมเออคิดไปก็เลาเรื่อยไปเรือเร่อยไปสำนะโพดมอาจจะเป็น ที่เราเห็นตั้งสี่สิบปีนู่นมาก็จะประิพานแล้วอยู่โกูสีน่าละโอกาสชีวคนนี้ก็หมตอดเป็นหล่นทรรมได้ไปเลยวิ่งเอานะแค่น้อยไม่ชิ่เดินนะก็่ึืดก็หอบไปว่าใครก็เล่าเลยว่าสรัะผู้เจ้าจะประิพานแล้ว ผู้คนก็ไปกลาบไปไหวยไปบูชาดอกบัง้งทุกเทียนกองถึงสูงที่สุดเลย <c oughs> จนพระอ น, อนุนพระอนุท่าเป็นยามเฝ้าไม่ให้คนเข้าไปรบกวนแต่ถ้าจะไปอนุนต้องผลขวยให้ผู้หญิงเข้าก่อน แป่งคิวเข้าไปไปดอกไม้ไปบูชาวางล ง, ลงไล่ออกไปผู้ชายให้หมาทีหลังบริการผู้หญิงเก่งนะ อ, นนอรรถขอยเรื่องผู้หญิงมากจนเมื่อการนานไปแล้วรลีผานไปแล้วสังไขนาข้างแรกพระสงฆ์เทรดาทั้งหลาย ปรับบาปแกอนุนเลยหนึ่งอนุนขนขวยเรื่องผู้หญิงมากเกินไปสองขนขวยผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีอนุนมาที่ไหนตั้งแต่สมัยเครื่งปฏิพันธ์น่ะทํานนะทไมจึงให้ผู้หญิงบริการผู้หญิงเข้าให้โกดเมันเหตุใดอ น, อนุก็ฉเฉลยว่าเออเราผู้หญิงก็มีลูกเปเต้ามีจูมีนม เขาต้องการนหฮะเอาลงมาลูกกินก็ต้องเรียกว่าบ้านทู่หญิงไปทำบ้านการบ้านทำอาหารการกินให้ครอบครัวให้เขากับก่อนผู้ชายไม่มีตู้ไม่นมแต่ผิดก็เอาปรับก็ปรับช่ไหมฟเออพะระสงก็ปรับบัตทุกกดเจลาพระนอนแต่เมื่อจริงคนไวยฟิกซูนีบวดทําไมบริการเขาเลือเกินผู้เจ้าห้ามอยู่แล้วไม่ปวดเออ ใครก็ตาในสาธาธรรมไมไหนนี้สามารถปฏิบัติบรรลุธรรมถึงมรรคผลนิพพานได้ทาไมไปห้ามพระโขนนยังไปกราบทูลพระเจ้านางมหาปชาบดีเศร้าหมองพระเจ้าก่าเอ้ยสงสารพระแม่โกนผมหมดแล้วยังมให้ปวดในธรรมไม่ไหนนี้ จะเป็นพระอรหันได้จะพระผู้ชายเท่านั้นหรือผู้หญิงเป็นมาได้หรืออย่างก้นหลาสาริบุตรอวารีทำไมเป็นอรหันนางทิสาขาหมหาโวยชาทำไมเป็นอรหันได้ผู้หญิงที่แท้ก็ยังเป็นทำไมจึงห้ามไม่บวชพระพุทธเจ้าตอบมาเลยเลยบวชก็บวชเ <c oughs> บื่ก็บเเบื่ออย่าในผู้หญิงบวชเลย <c oughs> นี่เราปรบปาดใจเธอ อา้าวปรับก็ปรับท่ไมอนนท์ถูกปรับรบวิเพราะผู้หญิงเยอะ่เลยขนขวยแม่เขาหนึ่งก็ปรับรบวินะอนนท์นี่เป็นผู้ที่มีกิจมลย า, ยางนงดงามเนี่ยมักจะ บ, บริการสังคมชุมชนดีเรี่มไปแจกทานนั่ จ, า น, จนางพรามณีในสำนักของ อของของอรชชีกเขาบินระ บ, บากไม่พอมาขออาหารจากสำนักเทศบวัตอนนอนก็แจกตอนนี้มีคนมาขอรับแจกอาหารจีคนไอหวานมายี่สิบคนพระเจ้าก็ถามมาวันละจีคนให้เขาให้เพียงพอลนะ ให้พลกระหอลระหอไปเห็นมาวันละยี่สิบคนยี่สิบคนเอานองกระหอไว้ยี่สิบหอไปไหมแต่วันนั้นมาสิบเก้าคนห่อแจกไปแจกไปแจกไปแจกไปแจกไปแจกไ ป, จ, ไปจนถึงคนตุดตายสิบี่มันมาสิบเก้าคนมันเหลืออยู่กี่หอสิบเก้าคนะานะฮะวันยี่สิบหอเนาะ ฮะเอ้า <Huh>? oh, ยังไม่แจกเลยว่าอาหารสองหอนะ่อเน่ะคนที่ส mm ิบ hmm. เก้าเหลืออยู่สองห่อใช่ไหมสิบแปดแล้วใช่ไหมสิบเก้ายี่สิบมันเหลืออยู่สองห่ออ่อให้สองห่อเลย mm hmm. อ๋อเอาไปสองหอ mm hmm. <laughs> แต่ว่าเป็นโอกาสพมณีสาวเป็นพมณีสาวไปพอรับแจ ก, กทานไปแล้วอ้ากก็ถามว่าเธอได้กี่หอ่อ ฉันได้สองห่อทำไมเจ้าได้สองห่อเพมันก็ได้คนละห่อเดียวเนี่ยไม่รู้ล่ะอ่านอนเขาก็มองเราเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้เ <laughs> ก็ดคามนมติก็คิดไปเองนึ่ว่าได้าอาหารสองห่อไม่ว่าเพอดนลักตัวเอง <laughs> ก็เลยไปคุยอ้วกใครตไขหลายวัน มีห้าทีก็ เ, เล่าเลยกันแปได้ยินถึงสำนักคิตวันวก็พระเจ้าก็ถามทำ ไ, ไม อ, อ่ะนอนลักพามณีหรอือเขาเล่าเลยกัน เ, เรื่องอะไรเอว่นนั้นเธอให้อาหารเขาสองห่อพอลนอก็เช่ว่าโอ้าหมันอาหารจี่สิบห่อมันมาสิบเก้าคน แต่ก่อนมาวันยี่ชีิิมันลู้จะขึ้นมาทำไปเลยให้เขาไปอานี้สึ่งวิไนข้อนี้ห้ามขึ้นว่าห้ามแปกงสิ่งของด้วยมือของตนเรายึงสวดเป็นมวกว่านภิกษุให้สิ่งของแต่มือของตนต้องปราจิตีห้ามนะหระสงบนั่นแหละเรือ่องอนตนอุปการชีวกรนี ก็มาก็คือก็อหอบมาเงือ่เลยย่อยมาขอถางแบบ ก, ก็มาวิ่งมาจากเมืองอื่นมาวัวจะไปเห็นพระพุทธเจ้าเราเห็นมาสี่สิบปีเนี่เราผิดพระหนัดแล้วเกินเสียใจวิ่งมาวิ่งมาก็ขอเถอะขอเถอะขอให้อขออขอขอเข้าพระเจ้าแต่ก่อนพระนอนบริการผู้หญิงนะ ผักอารชีวคนนี้เป็นผู้ชายลยเขาก็บวบวอร์ดวิยวิ่งมาเหงื่ อ, อไหลขย่อยบนเะถยียงกันกับเบอรชีวะกนอนเนาะใช่ไหม <c oughs> ไปนายไม่ได้ไม่ได้ไไดออกไปออกไปกลังผู้หญิงเข้าชิวมาเนี่ยวออกไปก่อนออกไปโหยวายขนมามนจาเรียกอนอนเรื่องอะไรกันจาอยู่อ น, นอนอยู่ องไกันันนน้ยการชีวศกจะเข้าไปพรเจ้าห้ามเขาอยู่เขาไม่เชื่อฟังนให้เขาเขามเถอนอนเด้อให้เขาเขาไม่นอนอยู่เจ้าก็เลยอะไรการชาชีกก็ทวนล้งลงหมอังทํามัก คำบ่อนกอดลิลิพานขออนุญาตพกกระเจ้าเสดงทําให้ความรู้ไหมโอว่าข้อนี้ฮะว่ายังไงใครรู้บ้างไหมฮะถ้าใครรู้ยกมือขึ้นดูสิอันดาทายพิกเวอามันทย า, าวิววายะธรรมาจังกาลามาเตนาสัมบาเิตะ ตนตัง้งหลาจงยังควไม่มาดให้ถึงพร้อมตืินนี่เป็นพระวิจาอันพัมสอนของเราจะทดขั้งสุดท้ายแล้วพระเจ้าปณิพานธ์อาอุปกาชิวกนเนได้บรรลุธรรมเลวเกือบไม่เห็นดวงเจ้าเลยเป็นสาวกองสุดท้ายใช่ไหมสาวกองแรกคือใครฮะรนธัญบ า, ามเมื่อวานนี้ ในตัดจรูปเป็นพระอรหันตเมื่อวานนี้คนนิยาภาจน40ปีไปถึงอุปการชีวะคนนี้สาบกกรสุดท้ายอุเจ้ชษฐ์กันแรกว่า ย, งายังไงการสุดท้ายว่า ย, งายังไงฮะพวกเราได้รู้ไหมยานทรงฉินกข้ามาตรวจจูมุจิกันแรกว่า ย, งายังไงฮะพระธรรมมาพุทธภาสิตะ <c oughs> นันทมังังปัตมาพุธาวาจิตาขาถาโยปนามาจีเ <c oughs> ต่ว่าอะไระไปดูเสียเปียบกันขี้เกียจไม่ได้ <c oughs> อ่านในหนังสือเร่อนี้มีปัถมะาสสิปัถ ม, ม, มคือขั้งแรกปัจฉิมะคือขั้งสุดท้ายมัชฌิมะคือกลาง นี่มันมีอย่างนี้ฐานะที่เราเป็นชาวพุทธให้ลู้เรื่องนี้เอาไว้บ้างเมื่อสอนเราอย่างน้อยก็เอาปัจจิบัโอ้ข้างุดท้ายอย่าประมาสังขารไม่เที่ยงนะเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็ไม่ประมาทคืออะไรตูตาเคยพูดเหมือนหลอยเท่าช้าง ทำตั้งหลายอยู่ในความไม่ประมาณเหมือนรอยเท่าช่างใหญ่กว่ารอยเท่าสัตว์อื่นเอาทําเข้าอื่นมาลงในได้มาลงใส่นี้ได้รอยเท่าช่างมันใหญ่ก็มไม่ประมาทจึงมาอยู่กับเราในตรง น, นี้มีสติรู้สึกถึงได้อยู่นี่แหละความไม่ประมาทรู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่นี่นะเอ้ยินไหม วันนี้หลวงตาจะไปกรุงเทพนะกับหลวงพอ่อกรมไปพบหมอหมอนัดสองสองหมออาจารย์ตุ้มจะพาไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะไม่เกินอา จ, จะไปแสดงธรรมที่สนามบินสุวรณภูมิไปพนกงานการบินไทยได้มาแสดงธรรมอีกที่ไหนแล่วอาจารย์ตุ้มจะพาไป อ่าวอันนี้ก็จบทอนนี้การพะพ่ออกัน